เรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งซึ่งยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นจริงมันอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่วิจารณญาณของท่านผู้ฟังเองด้วยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ฟังไปในทิศทางของความบันเทิงก็แล้วกันสัมผัสสยอง เรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดมีอยู่ว่าพี่ชายกขอมผมทำงานรับราชการอยู่ที่จังหวัดตากด้วยความที่เป็นชายโสดยังไม่ได้แต่งงานเมื่อมีเวลาว่างก็งมักจะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอในกลุ่มของเพื่อนพี่นั้นมีคนที่สนิทกันอยู่ประมาณ 4-5 ห้าคนหนึ่งในนั้นชื่อว่าพี่เอกพี่เอกแต่งงานแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูก ก็เลยจะชอบไปสังสรรค์กับพี่ชายของผมอยู่เสมอมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันศุกร์แล้วก็เป็นวันเกิดของพี่เอกด้วยพี่เอกก็เลยชวนบรรดาเพื่อนๆที่สนิทกันไปนั่งดื่มสังสรรค์กันที่อำเภอแม่สอดเมื่อทุกคนไปถึงก็ไปที่ร้านร้านหนึ่งซึ่งไม่ใช่ร้านประจาแต่ก็เคยไปนั่งกันอยู่บ่อยๆร้านนั้นเป็นร้านเล็กๆบรรยากาศค่อนข้างดี แล้ววันนั้นก็ไม่ค่อยจะมีแขกกลุ่มอื่นเลยมีแค่กลุ่มพี่ของผมอยู่กลุ่มเดียวก็ฉลองกันไปอย่างครื้นเครงไม่ต้องเกรงใจใครจนเวลาล่วงเลยมาถึงห้าทุ่มทุกคนก็เริ่มที่จะเมากันแล้วก็มีสาวเสิร์ฟคนหนึ่งเดินมานั่งข้างๆพี่เอกน้องคนนั้นเหมือนกับว่าเพิ่งจะมาทำงานใหม่เนื่องจากไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแล้วน้องคนนั้นก็พูดคุยกับพี่อ น้องคนนั้นได้ถามพี่เอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ใช่ไหมพี่เอกก็บอกว่าใช่ก็เลยมาฉลองกับเพื่อนๆไงแล้วน้องเขาก็ถามว่าพี่มาที่นี่บ่อยไหมพี่แต่งงานแล้วหรือยังพี่เอกก็บอกไปว่าแต่งงานแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูกแล้วน้องคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่างั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ ก, กันไหมเห็นว่าพี่ไม่ได้ใส่ซอยพระ แต่ว่าก่อนที่พี่จะเห็นหน้าลูกของพี่เอกนั้นพี่ต้องมาหาหนูที่นี่ก่อนนะอย่าลืมนะพี่ก่อนที่พี่จะได้เห็นหน้าลูกของพี่เอกพี่ต้องมาหาหนูก่อนนะน้องคนนั้นพูดยำ้ำจากนั้นก็เดินทางไปหน้าร้านเด็ดใบไม้มาหนึ่งใบแล้วเดินไปด้านหลังของพี่เอกวางใบไม้ใบนั้นตรงบริเวณต้นคอแล้วก็เป่าลมลงไปบนใบไม้วินาทีนั้นพี่เอก รู้สึกเย็นว่าขนลุกไปทั้งตัวแล้วจูจ่ๆอาการที่เมาอยู่นั้นก็หายเป็นปลิดทิ้งและนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนฉลองวันเกิดของพี่เอวันเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายเดือนทุกคนในกลุ่มก็ลืมเรื่องพวกนี้กันไปหมดแล้วแล้วพี่เอกก็ได้รับข่าวดีว่าภรรยาที่อยู่ต่างจังหวัดของเขานั้นตั้งท้องก็เลยจัดงานฉลองกันใหญ่โต เวลาผ่านไปจนกระทั่งภรรยาพี่เอกนั้นใกล้จะคลอดเต็มทีตอนนั้นพี่เอกก็ปกติดีไม่มีอาการผิดแปลกไปแต่อย่างใดจนกระทั่งภรรยาพี่เอกเจ็บท้องใกล้จะคลอดก็เลยต้องขอเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อพี่เอกทราบข่าวว่าภรรยาตัวเองใกล้จะคลอดก็ดีใจมากรีบขับรถออกจากจังหวัดตากแล้วก็โทรศัพท์มาถามอาการของภรรยาไปด้วย ระหว่างทางกลับมานั้นพี่เอกก็บ่นตลอดทางว่ามีอาการเจ็บคอคันคอพี่ชายของผมที่เดินทางมากับพี่เอกด้วยก็บอกว่าเป็นหวัดหรือเปล่าเดี๋ยวก็หายและเวลาประมาณห้าทุ่มทุกคนก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลจากนั้นก็รีบมุ่งหน้าไปหาภรรยาของพี่เอกในทันทีเมื่อพี่เอกเห็นหน้าภรรยาแล้วจูๆ่ๆพี่เอกก็ไอขึ้นมาอย่างหนัก แล้วบอกว่าขั้นคอมากจนกระทั่งไม่สามารถพูดคุยได้แล้วแกก็รีบวิ่งไปที่ห้องน้ําทิ้งให้พี่ชายของผมอยู่กับภรรยาและแม่ของแกพี่เอกนั้นหายไปนานมากจนพี่ชายของผมเป็นห่วงก็เลยเดินตามไปดูอาการในห้องน้ําพอเปิดประตูห้องน้ําเข้าไปก็มองเห็นพี่เอกยืนอยู่หน้ากระจกอ่างล้างหน้าแล้วก็มีเลือด ก, กระเซ็นเต็มไปหมด พี่เอกพยายามเอามือหล้วงเข้าไปในลําคอเหมือนกับว่าจะพยายามจับอะไรสักอย่างในนั้นแล้วหยดเลือดมันก็พุ่งออกมาเมื่อพี่ชายของผมเห็นดังนั้นก็เลยรีบวิ่งเข้าไปหาแล้วก็เรียกพยาบาลให้เข้ามาช่วยเหลือพี่เอกพยายามพูดกับพี่ชายของผมและพยาบาลว่าไม่รู้มีตัวอะไรขางยาวๆอยู่ในคอแล้วพี่เอกก็พยายามล้วงมันออกมาอีก หมอกับพยาบาลรีบนำตัวพี่ไปห้องเอกซเรย์เมื่อเอกซเรย์เสร็จก็ไม่พบสิ่งแปลกประหลาดใดๆพบเพียงแต่ร่องรอยของบาดแผลที่พี่เอกพยายามล้วงคอตัวเองเท่านั้นหมอก็เลยฉีดยาให้การนั้นสงบลงหลังจากนั้นไม่นานพี่เอกก็สงบและนิ่งลงภรรยาของเขาตกใจมากถามกับพี่ชายของผมว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ผมก็บอกกับภรรยาพี่เอกว่า ไม่มีอะไรหรอกมันแค่เจ็บคอเฉยๆเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่งพยาบาลก็เดินมาบอกกับพี่ชายของผมว่าคนไข้นั้นเรียกหาต้องการพบเมื่อพี่ผมไปถึงห้องของพี่เอกพี่เอกก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในวันเกิดของเขาครั้งนั้นพี่เอกคิดว่ามันจะเกี่ยวกันไหมกับเรื่องนี้พี่ชายของผมก็บอกว่า ทำไมเพิ่งจะมาเล่าให้ฟังแล้วพี่ชายของผมก็โทรหาเพื่อนสนิทอีกสี่คนเพื่อที่จะปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีไม่นานก็ได้ข้อสรุปว่าพี่ชายของผมจะพาพี่เอกกลับไปที่จังหวัดตากเพื่อไปเจอสาวเสิบคนนั้นโดยที่เพื่อนคนอื่นๆจะไปรอที่นั่นเลยแล้วพี่ชายของผมและพี่เอกก็มุ่งหน้าเดินทางไปที่อำเภอแม่สอดในระหว่างทางนั้น พี่ชายของผมก็ถอดเอาพระที่ห้อยคอของตัวเองนั้นออกแล้วนำไปคล้องคอพี่เอกเอไวเพื่อให้พี่เขาสงบลงและรู้สึกดีขึ้นเมื่อขับรถไปถึงอำเภอแม่สอดทุกคนก็มารวมตัวกันแล้วก็เดินหาร้านนั้นแต่ว่าหาร้านนั้นไม่เจอเมื่อลองไปถามชาวบ้านแถวนั้นดูเขาก็บอกว่าร้านนั้นเลิกกิจการไปแล้วส่วนสาวเสิฟคนนั้นเป็นสาวขมิ และเธอก็ได้เดินทางกลับบ้านของตัวเองไปนานแล้วเหมือนกันเมื่อได้ยินดังนั้นเพื่อนของพี่ผมทุกคนตกใจมากไม่รู้ว่าจะทำยังไงกันต่อดีแล้วเพื่อนพี่คนหนึ่งก็เลยเสนอขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นลองพาพี่เอกไปหาพระดูก่อนเพื่อว่าพระท่านจะช่วยได้แล้วพวกเขาก็พากันไปวัดในอำเภอแม่ระมาดพอถึงวัดก็พบกับพระพระท่านก็บอกว่า สายเกินไปแล้วโยมมันเอาไปถึงกระดูกดำแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็แวะหาพระตามวัดดังๆตลอดทางซึ่งพระแต่ละท่านนั้นก็บอกเหมือนๆกันว่าแก้ยากมากแก้ไม่ได้ทำได้แค่พรมน้ำมนต์ให้จนเราแทบจะสิ้นหวังเราจึงโทรไปปรึกษากับแม่ของแกที่เฝ้าภรรยาอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วแม่ก็บอกว่า ให้รีบไปวัดข้างๆบ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรรีบไปพบพระท่านก้อนที่ฟ้าจะมืดเมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นก็มุ่งหน้าเดินทางไปในทันทีในระหว่างทางที่มุ่งหน้าไปพี่เอกก็มีอาการแปลกๆอยู่บ้างส่วนใหญ่จะบอกว่ามีตัวอะไรสักอย่างอยู่ในลำคอจนกระทั่งพวกเราไปถึงวัดประมาณสี่โมงเย็นก็ได้พบกับพระรูปนั้น แล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พระท่านฟังพระท่านก็เลยให้พี่เอกไปนั่งในโบสถ์แล้วทําพิธีอยู่นานประมาณชั่วโมงครึง่งจากนั้นก็บอกให้พี่เอกกลับไปอยู่ที่บ้านแม่ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากวัดสักเท่าไหร่โดยลักษณะของบ้านจะเป็นบ้านไทยมีใต้ถุนสูงมีนอกชานมีบันไดขึ้นหน้าบ้านแล้วพระท่านก็นําสายศีลไปพันไว้รอบรอบบ้าน ประมาณเจ็ดรอบท่านสั่งเอาไว้อีกว่าให้พี่เอกนอนอยู่ในบ้านแล้วล็อกกุญแจเลยส่วนเพื่อนๆนั้นให้นอนอยู่ที่หน้าห้องคอยเฝ้าเอาไว้ถ้าหากได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่ห้ามเปิดดูโดยเด็ดขาดและถ้าผ่านพ้นคืนนี้ไปได้ก็จะรอดแล้วพี่ผมก็ทำตามทุกอย่างพวกเขานอนรวมกันหน้าห้องแล้วตกลงกันว่าห้ามหลับ พวกเพื่อนจะคอยผัดเปรนกันเฝ้าทั้งคืนพอพระอาทิตย์ตกดินความเงียบและความมืดก็เริ่มปกคลุมเพื่อนของพี่ผมคนหนึ่งก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนกำลังเดินริบรอบบ้านแต่ว่าพี่ผมนั้นไม่ได้ยินแล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนดึกด้วยความพยา ก, การเดินทางทำให้พี่ชายของผมและเพื่อนทุกคนนั้นนอนหลับสนิท พอตื่นอีกทีก็เช้าแล้วเพื่อนพี่ผมคนหนึ่งตื่นก่อนก็เห็นประตูห้องนอนของพี่เอกเปิดอยู่เขาตกใจเป็นอย่างมากรีบปลุกเพื่อนทุกคนที่เหลือให้ตื่นขึ้นเมื่อทุกคนตื่นกันหมดแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปดูภายในห้องปรากฏว่าไม่เจอพี่เอกแต่เจอรอยเลือดหยดเป็นทางออกจากห้องลงบันไดไปพี่ชายผมและเพื่อนทุกคนก็เดินตามรอยเลือดไป รอยเลือดนั้นหยดเป็นทางออกห่างจากตัวบ้านไปประมาณ500เมตรได้และพวกเขาก็พบกับร่างของพี่เอกนอนเสียชีวิตอยู่ทุกคนที่เห็นภาพนั้นตกใจมากและก็แปลกใจมากด้วยเช่นกันว่าทำไมพี่เอกซึ่งถูกขังอยู่ในห้องถึงออกมาจากห้องได้ทั้งทั้งที่ประตูห้องก็ถูกล็อกกุญแจอยู่ลักษณะของพี่เอกนั้นเหมือนกับว่า พอออกมาจากห้องได้แล้วก็หยิบมีดเน็บที่ใส่ปลอกแขวนอยู่หน้าห้องมาแล้วพยายามจะเชือดคอตัวเองพร้อมกับเดินลงบันไดาไปจนไปเสียชีวิตอยู่ข้างนอกบ้านหลังจากนั้นพวกเขาจึงต้องโทรศัพท์เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมาทำคดีระหว่างนั้นพี่ชายของผมกับเพื่อนก็โทรศัพท์กลับไปบอกกับคุณแม่ของพี่เอก และในคืนที่พี่เอกเสียชีวิตก็เป็นคืนเดียวกันกันกบที่ภรรยาของพี่เอกนั้นคลอดทารกน้อยออกมาพอดีแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นพวกเขาก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าสาวเสิบชาวเขมนคนนั้นต้องการอะไรกันแน่และเธอได้ทำอะไรเอาไว้กับพี่เอก สมัทสยง